พุทวสวัสดีค่ะพุทโสวัสดีขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีวิทยุสทอเอฟเร 6, วิทยุครอบครัวข่าวและสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติอีก154สถานีและรายการสันสนิสฐานท น, านะคะที่พ็นพูดต้อนรับคุณเข้ามาสู่ช่วงเวลานี้ดิฉันสันสนินานะพงษ์ดเนินรายการในสัปดาห์นี้ที่ผ่านมา ท่านมาร์คหรือว่าพระมารคชาคาวโรแห่งวัฒนาปาพงล์ลำลูกกาคลองสิทธิ์ก็ได้นําท่านปฏิบัติ ธ, ธรรมพร้อมกับสาธยายพระสูตรเกี่ยวกับเรื่องของอริยมรรคมีองค์แปดวันนี้ท่านก็จะมีมาอ่านให้ทุกท่านได้ฟังกันอีกหลังจากที่ได้ปฏิบัติ ธ, ธรรมตามพุทธวจนะกันไปแล้วเช่นเคยพบกับท่านเลยนะคะนมัส ก, การกันะทั้งคะเจริญพรชาวันใหม่นี้เราก็มาใช้เวลาช่วงสั้นๆตอนเช้านี้ มาทําความสะอาดกายกับใจของเราทีอเรามาทําความเพียรผ่อกิเลส ท, ทําจิตให้หลุดพ้นกันด้วยการมาเจริญอาณาปานาสติมีสติอยู่กับลมหายใจแ ล, ล้วก็ละความเพลินในอารมณ์ต่างๆถ้าพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มกันได้เลยเรามาเจริญอาณาปานาสติตามแบบที่พระผู้มีพระพากเจ้าบอกสอนไว้ คือเมื่อเราไปสู่ป่าสู่คนไม้หรือสู่เรือนว่างก็ตามพระองค์ให้เรานั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดารงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกหายใจเข้ายาวออกยาวก็รู้หายใจเข้าสั้นออกสั้นก็รู้ทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวง หายใจเข้าและหายใจออกทำกายสังขารให้รำงับอยู่หายใจเข้าและหายใจออกระหว่างนี้หากเราหลุดไปคิดในเรื่องไหนก็ตามความสุขความทุกข์อดีตอนาคตพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ให้เรารีบวางความคิดนั้นเสียเรียกว่าการละนันทิ หรือการละความเพลินแล้วให้เรากลับมามีสติะระลึรู้อยู่กับลมหายใจของเราวันนี้ก็จะนำพระสูตรเรื่องที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่ามัสมีองค์8นั้นถือว่าเป็นกัลยาณมิตรที่แท้จริงของเราโดยที่พระอานนุ์ได้ถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ทำนี้เป็นเครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์กล่าวคือความเป็นผู้มีมิตรดีความเป็นผู้มีสหายดีความเป็นผู้มีพวกพ้องดีและพระผู้มีพระภาคเจ้าตรตัสตอบว่าอานนท์อย่ากล่าวอย่างนั้นอานนท์อย่ากล่าวอย่างนั้นอานนท์ทำนี้ เป็นพรหมจรร์ทั้งหมดทีเดียวกล่าวคือความเป็นผู้มีมิตร ด, ดีความเป็นผู้มีสหายดีความเป็นผู้มีพวกพ้องดีอานท์สำหรับภิกษุผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีพวกพ้องดีนั้นข้อนี้เป็นสิ่งที่พึงหวังได้คือจะทำ มักมีองแปดให้เจริญได้จักกะทำมักมีองแปดให้มากได้ข้อนั้นเป็นอย่างไรเล่าอานนท์ข้อนั้นคือภิกษุในกรณีนี้จเจริญสัมมาทิฏฐิจเจริญสัมมาสังกัปป ะ, จะเจริญสัมมาวาจาจเจริญสัมมารกรรมตะ จเจริญสัมมาอาชีว ะ, จะเจริญสัมมาวายาม ะ, จะเจริญสัมมาสติจเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเว้อาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อการสลัดลงอานนท์อย่างนี้แหลภพิสูจชื่อว่ามีมิตรดี มีสหายดีมีพวกพ้องดีทำอารยะอัตถังกิกรรมักให้เจริญได้กระทำอารยะอัตถังกิกรรมักให้มากได้อานน์ข้อที่ว่าความเป็นผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีพวกพ้องดีเป็นพรหมจรรย์ทั้งสิ้นทีเดียวนั้นอันใครๆ ถึงทราบโดยปริยายแม่นี้อานอน์เพราะอาศัยเราแลเป็นกาลยานมิตรสัตว์ที่มีความเกิดเป็นธรรมดาย่อมหลุดพ้นจากความเกิดสัตว์ที่มีความแก่เป็นธรรมดาย่อมหลุดพ้นจากความแก่สัตว์ที่มีความตายเป็นธรรมดาย่อมหลุดพ้นจากความตาย สัตว์ที่มีโศกะปริเทวะทุกขทโทมานต์อุปายาสาเป็นธรรมดาย่อมหลุดพ้นจากโศกะปริเทวะทุกขทโทมานต์อุปายาสาอนุนโดยปริยานี้แหลอัจใครๆเพิงทราบว่าความเป็นผู้มีมิตร ด, ดีความเป็นผู้มีสหายดีความเป็นผู้มีพวกพ้องดี นี้เป็นพรหมจรรย์ทั้งสิ้นทีเดียวดังนี้แลเพราะฉะนั้นการที่เรามาเจริญอริยมรรคมีองค์8นั้นก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความเป็นผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีพวกรองดีเป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดเลยทีเดียวและเมื่ออาศัยมังไม้องค์8เป็นไกรณมิตรแล้วก็สามารถหลุดพ้นจากความเกิดความแก่ความตาย ความโศกต่างๆได้โดยประการทั้งปบวกเพราะฉะกั้นการที่เรามารู้อยู่กับลมหายใจและลรับความเพลินในอารมณ์ <c oughs> ก็เท่ากับว่าเรากำลังอยู่กับการณมิตรที่ดีและก็พวกพ้องที่ดีแล้วค่ะ <c oughs> วันนี้ก็สมควรแกร่เวลาเลยทำให้หลายคนที่คิดว่าชีวิตนี้ไม่ค่อยมีเพื่อนนี่สบายใจขึ้นเยอะเลยนะคะหรือว่าแม้แต่มีแล้วเนี่ยก็ยอย่างอ๋อมีแล้วยังไม่พอนะ เพื่อนดีกว่านั <Ont op> <kita> mm ้นคืออริยมรรคมีองค์8ใช่อยู่ด้วยกันตลาดเวลาค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องติดตามต่อแล้วล่ะนะคะว่าพระพุทธองค์จะตรัสว่าอริยมรรคมีองค์8นั้นมีความหมายอย่างไรอีกวันนี้นมัสการขอบพระคุณท่านม้านะคะจันเรนพา